อาจารย์เคยผูดเสมอว่ะพวกเรามาเนี่ยแสนสบายเลยนะเห็นนะมีศาลาที่พักพาอาศัยอาจารย์มาทุดงครั้งแรกเนะ่ะมากวาดใบไม้นอนเลยนะล้มต้นสะท้อนนะี่กวาดกวาดใบไม้ขึ้นมาก็ปักกดนอนเกือบสองสามอาทิตย์นะนะี่ยทั้งฝนตกด้วยในช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนกุมภาแต่ไม่กลัวอะไรหรอกกลัวมแมลงป่องก็กลัว ง, งูก็กลัวตะขาบ ก็ตื่นเช้ามาเวลานอนเนี่ยปูเสือแล้วต้องเอามุ้งกรดเหน็บเข้าไปนี่ยกลัวมันจะมุดขึ้นมามันจะมาต่อยกลางคืนอย่างอื่นก็ไม่กลัวเพราะมันเสือหนีพวกอะไรก็ไม่มียุคที่มาดูหมดแล้วปกสัตว์ไม่ค่อยมากแล้วแต่งูหนึ่งยังเยอะเห็นไปที่ไหนเห็นแต่งูมันอยู่ใกล้น้ําด้วยแต่พอมาถึงยุคนี้มันก็สะดวกแสนสบายล่ะมีน้ําประปามีไฟฟ้าใช้มีที่พักผ่อนนอน แต่จะเปรียบเทียบมันก็ดีมากๆถือว่าเราออกบำเพ็ญในธรรมะออกมาปฏิบัติออกมาทุดงเราเคยอยู่สุขสบายแต่ออกมาขนาดนี้ได้ก็นำหวาดดีแล้วออกมาทุดงขนาดนี้แต่สําหรับพระแล้วมันต้องกว่านี้ขึ้นไปอีกไปอยู่ตามภูผาป่าไม้ภูเขาลเนาำไฟไกลจากหมู่บ้านสงบวิเศษวางเวงในเหวในถ้ำในป่า บางแห่งไอยู่ป่าชา้าอยู่ไมหมดนะเพื่อจะได้ดูจิตใจตัวเองถ้าไปอยู่แต่ที่สนุกสุขสบายใจมันอีจอย่างหนึ่งนะแต่หากว่าไปอยู่ในสถาน ท, ที่กลั ว, ลวไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆใจมันก็หวาดผวาใจมันก็กลัวเมื่อใจกลัวแล้วก็วริกรรมภาวนาอะไรมันก็นอยู่เป็นชิ้นเป็นอันแาว่าเรา อยู่ที่สบายใจมันก็คิดเออเลยเยื่อไปเรื่อยลอยลมไปเรื่อยแต่ไปอยู่ในสถานที่กลัวมันกลัวตายนี่สิอ่าให้กำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็อยู่กับพุโทโธนะเพราะมันกลัวตายให้มันอยู่อะไรมันก็อยู่แะจุดนั้นอ่ะอืมเพราะมันกลัวเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจริงให้ไปสดสแสวงหาในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัว อย่างป่าช้าอย่างถ้ำภูผาป่าไม้อย่างเนี้ยอยู่ทีที่ไกลจากนั้นก็มันจะได้ดูตัวเองรู้ตัวเองมสติก็จะอยู่กับตัวเองเพราะมันกลัวความกลัวนี่ช่วยได้เหมือนกันนั่นแหละทาให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านวิริกรรมมันอยู่กับอันไหนก็อยู่กับอันนั้น่ะแต่พิจารณาธาตุขันร่างกายกองพิจารณาเห็นได้พิจรณาถึงมรณะนุสติ มรณะนสติและลึกถึงความตายบองดูนี่เราเนี่ต้องตายแน่นอนอะ่ะถึงจะไปอยู่ในสถานที่แห่งใดก็เถอะถึงจะห่อมล้อมอยู่ก็เถอะอยู่ในบ้านในเมืองโอโถงขนาดไหนก็เถอะถึงคราวแล้วก็ต้องจากจากโลกนี้ไปแน่นอนไม่ต้องสงสยัยถึงจะเป็นหมอระดับไหนก็เถอพะพภพถึงเจ้ามีฤทธิ์มีเดชขนาดไหนก็เถอะก็ตั้งอยู่ใต้ มรณะคือความตายทุกคนที่หลีกทีก่หนีไม่พ้นแต่สิ่งที่กลัวที่สุดมนุษย์ก็คือกลัวความตายที่เรามาอยู่ในป่าในเขาเหมือนกันเรากลัวนั่นกลัวกลัวนี่ที่แท้คือกลัวตายนี่แหละเป็นใหญ่ถ้าไม่กลัวตายสียอย่างเออมึงจะไปอยู่ไหนมึงจะไม่ตายวะกลัวอะไรมากมายเ่ยมันจะจิตแจมจะอาถรรพ์ขึ้นมาทันทีอาถรรพ์สู้ว่างั้นแต่แต่ถ้าห่างวานเราไม่คิดถึงนั้นแหละ คิดถึงงูงูงจะมากัดกัดลำเป็นไงก็ตายถ้าเสือจะมากัดเสือกัดลำเป็นไงมันก็ตายถ้าผีมาหลอกนะ่ะผีมาหลอกที่น่ากลัวกลัวมันจะมาหากักคอบวังกลัวมันจะมาหลอกให้กลัวเดี๋ยกวก็ช็อกของตายสรุกแล้วคือความกลัวตายถึงจะอยู่ในสถานที่ไหนก็ไม่พ้นความตายแต่เหมือนพ้นความตายแบบทําไหนที่เป็นเครื่องอยู่ทางจิตใจ ที่จะให้พ้นจากความตายมีไหมถ้าเกิดพบหน้าชาติหน้ามันจะต้องตายอีกสิ่งที่ไม่ตายมีไหมพระพุทธเจ้าท่านชี้ทางไว้แล้วหนทางที่ไม่ตายมีอยู่มรรคแปดสมาธิสมาสมาังกโปจนถึงอริยสัจ ท, ทั้งสีเป็นหนทางที่ไม่มาเกิดแก่เจตตายอีกถ้า้นทางอื่นแล้วมีแตบ่บคกคุณเวียนอยู่ในนี้แ่ะโลกตสูงสาเนี่แหละตั้งอกตั้งใจภาวนา ชีวิตของเราก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากเป็นจุดที่หัวเลี้ยวหัวต่อเวลาจะถูกผ่าตัดก็ดีเวลาใจจะขาดก็ดีเอเราไม่ต้องคิดตกกังวลกับอะไรทั้งหมดอให้นึกบริกรรมพุทโธและนึกถึงคุณงามความดีของตนเองและนึกถึงบุญคุณที่เราเคยปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ปฏิบัติตรตรครูบาอาจารย์รักษาศีลภาวนาพยายามท่องบนสาธยาย ไม่ไมในจิตใจเวลานั่นกับตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขอไม่ต้องอาฆาตพยาบาทจองเวรใครๆทั้งหมดให้อภัยแก่ใครทั้งหมดไม่ต้องคิดอาฆาตกับใครๆไม่โกรธไว้กับใครใครยินดีให้อภัยทุกคนทุกวิญญาณเนื่งจากนั้นกับบริกรรมพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดอย่างอื่น ถ้าหากว่าผู้ใดทํำใจอย่างนั้นได้ทํำใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งได้่งจิตใจไม่ออกไปจิตใจเป็นอัปปนาสมาธิหรือ ว, ว่าจิตใจรวมเป็นหนึ่งได้ตายในขณะนั้นะไปสู่พรมไม่ต้องสงสัยเพราะเกิดฌานในจิตใจต้องเกิดไปเป็นพรหแต่ถ้าหากว่าใครเภาวนาแล้วลึกถึงบุญกุศลของตนเองอยู่แล้วลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่เราได้อุปรธรรมประทับในรักษาศีล ได้ให้ทานได้ส้างคุณงามความดีเราได้คิดในสิ่งเหล่านั้นไว้อยู่เสมอเมื่อใจของเราขาดไปเราก็ไปสู่สวรรค์เพราะว่าใจของเราเป็นกุศลแต่ถ้าหากว่าใจของเราคิดไปในความพยาบาทอาฆาตจองเวียนเป็นห่วงนั้นเป็นห่วงนี่เป็นห่วงลูกหองเต่า ห, ห, ห่วงลูกหองงล้านห่วงบ้านห่วงช่องห่วงที่ไหลที่นานเวลาตายไปแล้วกว่านั้นแหละไปเป็นเลนไปเป็นกบเป็นเขียดเป็นตุกแก่มานล้วเหรอทีนี้ แต่ถ้าว่าเราตายด้วยความโกรธอารมณ์โมโหโทโสใจขาดไปก็ไปเกิดเป็นเสือเป็นงูเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่ามากกว่านั้นก็ไปตกนรกหมกไหมไปเลยท่านเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าก่อนที่ใจจะออกจากร่างเป็นจุดที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งมันต้องฝึกหัดเอาไว้ให้ดีๆแต่ถ้าหากว่าไม่ฝึกหัดเอาไว้เนี่ยจะเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลมาเก่าแก่ก็เถอะ อย่างที่พูดให้ฟังเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาพญาธรรมโสกราชท่านสร้างทาวรวัตถุลูกชายก็เป็นพระอรหันต์พระมาหินลูกสาวก็เป็นนางสังฆมิตตาเป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่แต่ขณะนั้นพญาธรรมโสกราชพอใจขาดไปก็ยังไปเกิดเป็นงูพเพราะโกรธให้บริษัทบริวารว่าไม่ทาตามบัญชาของพระ อ, องค์ที่ให้สละเงินในท้องพระครังออก ถวายทำบุญทำทานเขาปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าคนในประเทศเท่าไหร่อันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของพระบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติเป็นพระทุดงกรรมฐานทำกีวรเสร็จใหม่ๆพอทานอาหารอาหารไม่ย่อยทำให้ท้องอืดพอตกกลางคืนมาใจจะขาดันแน่นขึ้นมาตอนหัวค่าตอนนั้นก็ซักผ้ายีวรย้อมผ้ายีวรพึ่งตัดใหม่ๆโอ้โหห่วงอะไรอย่างมาก ตั้งแต่ได้ผ้ามากระผืนนี่แหะถูกใจที่สุดหมู่พระสงฆ์เย็บให้พอตกกลางคืนมาท้องแน่นขึ้นแน่นขึ้นใจจะขาดก็นึนกถึงผ้าชีบรตัวเองโอ้ผ้าชีวรของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เลยทําไมเอเราจะตายก่อนเน้อแน่ใจก็ขาดในช่วงนั้นพอดีพอขาดไปก่อนห่วงอะไรในผ้ากีวอนก็ไปเกิดเป็นเล่นเนี่ะเป็นไรอยู่ตรงนั้นนะเกิดเป็นไรอยู่ผ้าชีวอ น, น, นพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ ห่วงเดนั่นแหละทนายวิญญาณมันเกาะการปฏิสนธิสี่อย่างชราพุ ช, ชะเกิดในคันอันทชะเกิดในไข่สังเสริฐทัชะเกิดในเท่าในไค่ในสิ่งที่สกรปรกเน่ยโอปะปะเกิดผดขึ้นลายตอนนั้นก็คงจะลักษณะเกิดผดขึ้นวิญญาณเข้าไป ย, ยึดปฏิสนธิก็เกิดขึ้นในเป็นตัวเลนในภา้ากีวรนอยู่นั่นจากนั้นมาตอนเช้าผมพระสงฆ์ทั้งหลายไปเห็นว่าตายแล้วไปเผาไฟ พอเผาเสร็จแล้วก็ตามปกติก็จะมีพระสงฆ์มาประชุมกันแจกบริขารองค์ที่ตายไปแล้วองค์ไหนสมควรจะได้ผ้าองค์ไหนที่เคยอุปถัรรมประทากเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดขันจะให้เพียนาองค์นั้นเลือกก่อนเลือกเอาบาสเลือกเอาจีวรของอาจารย์ต้องการผืนไหนต้องการอะไรอย่างนั้นคือวิธีการปฏิบัติสําหรับพระสงฆ์แจก บ, บริขารของพระที่มรณภาพดังนั้นก็พระสงฆ์ก็ประชุมกัน จะแจกบริขารไอ้ตัวนั้นมันอยู่ในนั้นมันได้ยินไหมมสัมผัสอยู่ร้องหฮมร้องให้่พระกําลังจะแจกีบอนของตัวเองพระสงฆ์ก็กําลังประชุมกันจะแจกบริขารของพระองค์นั้นที่ตายไป<ม>พระองค์นั้นก็ร้องหฮมร้องให้เป็นลายเป็นเล่นอยู่นั้น่เพราะพระพเจ้าท่านอยู่ที่ประคันท ก, กุฏิกุฏิของท่านท่านรู้โดยทิพสโตรตาหูทิพอย่างนั้น พอองรู้แล้วว่าอะไรตอนนี้นห่วงอะไรในจีวรของตัวเองมันอยู่นั่นน่ะแต่ถ้าว่าขืนแจกผ้าชีวรไปเล่นไรตัว น, นั้นก็จะโกรธให้พระว่าแย่งจีวรของตัวเองพออายุเจ็ดวันตามปกติทั้งวันไรหรือเล่นก็ตามถ้าไม่ได้กินอาหารมันจะอยู่ได้เพียงเจ็ดวันเมื่อตายจะเป็นเลนแล้วจะไปสู่นรกเพราะความโกรธเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระ ก, กรุณาให้พระ อ, อ น, นุนไประงับ ในการแจกผ้ากีวรผืนนั้นก่อนแจกบริขารของพระองนั้นระงับไปก่อนถึงเจ็ดวันเจ็ดวันก็เห็นว่าลายเล่นตอนนั้นตายแล้วจึงให้ประชุมสงแจกพระสงฆ์ก็แปลกใจไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าพระองนั้นตายไปเป็นเลนนี่ละ่ะสรุปแล้วก็คือใจของคนเราที่จะออกจากร่างเป็นจุดที่หล่อแหลมจําเป็นสําคัญอย่างยิง่งเพราะฉะนั้นควรจะฝึกขัดใจเอาไว้ แต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่าใกล้ซะก่อนจะไปฝึกมันไม่ได้เด้ต้องฝึกไว้แต่นา น, านๆแต่เนิ่นๆตั้งเริ่มแต่เดี๋ยวนี้แหละภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธกําหนดลมหายใจเข้าออกมีสติในการเดินก้าวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะให้มีสติถึงคราวนั้นมาจิตออกจากล่างก็ไปสู่จุดความประสงค์แต่ถ้าเว้นเสียแต่จิตของพระอริยเจ้ า, จาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอันนั้นจะบอกก้วาวถึงขั้นแล้ว ถึงยังไงก็ไม่ตกต่ำมานะท่านเป็นผู้มั่นเป็นผู้เที่ยงตรงแล้วแต่นอกจากพระโสดาบันลงมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเอาจจะไปตกเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกบกไม่เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอะไรได้ทั้งนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันแล้เป็นผู้มั่นคงมีแต่ก้าวหน้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆออกจากร่างนี้ก็ไปสู่สวรรค์ออกจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นมนุษย์นั่นข้างของมัณฑิบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ระดับไหน ยังคงใช้กรรมอยู่บางพระโสดาบันเนีสามชาติสามชาติเจ็ดชาตนะินั่นนะก็นอกจากนั้นเป็นเป็นคติไม่ที่ไม่แน่นอนเพราะนั้นพวกเรายัางไม่ถึงขั้นที่คติแน่นอนก็ควรจะเตรียมการเอาไว้นั่นนะทุกคนนะนะ่ะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องความตา ย, ยาถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะถึงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนัานก็บอกว่า วางราชสมบัติเหมือนกันถึงจะเป็นพ่อคามหาเศรษฐีขนาดไหนก็เถิดก็ต้องวางกิจการทั้งหมดไปเหมือนกันชาวไร่ชาวนาก็วางคันแอกคันไถ ท, ทิ้งไว้ก่อนไปเหมือนกันธรรมณะชีพารามนักบวชก็เหมือนกันวางบริขารไว้แล้วไปเหมือนกันทุกคนไม่เว้นแต่ละคนเกิดมาในโลกและต้องตายโดยกันทั้งหมดัน้นก่อนที่จะตายนั่นอ่ะจะต้องสะแสวงหาทำมาใส่ใจของตนเอง เราจะได้ทำมะมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับเรามีกองทุนมากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะเดินทางถ้าเรามีกองทุนมีเงินในกระเป๋าเราจะไปในที่ไหนไหนก็มีความสุขความเบิกบานมีความสบายใจเพราะเรามีบุญกุศลใน จ, ใจิตใจแต่เราไม่มีบุญกุศลแล้วก็อย่างว่าน่ะจะคิดไปทางไหนมันก็หยุดอันตันใจไปหมดน่ะคิดไปทางไหนก็คิดไม่ออกเพราะไม่มีทุนจะไปไปหน้าก็ต้องทุกข์แน่นอนเพราะไม่มีเงินติดกระเป๋าไปด้วย เพรานั้นพวกเรายังมีชีวิตอยู่เพราะพระพุทธศาสนาควรจะหากําไรใส่จิตใจใจของเราหาทางพ้นทุกข์ต่อไปนั่นนะส่วนอย่างอื่นที่เราก็ได้ฝึกมาแล้วภาวนาทำยังไงแลรักษาศีลทำยังไงอนนี่คือแนวความคิดให้คิดเอาไว้เตรียมเอาไว้อย่างที่ได้บอกกล่าวนี่แหละ